และแม้พระบิดายกสมบัติให้ยังไม่หวกังวลจะถูกแย่งคืนถูกพระเทวทัตยุให้ปลงพระชนเสียเพื่อความแน่นอนกว่าและพระเจ้าอาชาศัตรูก็เป็นประเภทบาจี้ยุขึ้นเสียด้วยไปไปมามานามือตามัวฆ่าพ่อตัวเองจนได้การฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นต่อให้สำนึกผิดก็สายเกิน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 หรือสิบห้าวันหรือเจ็ดวันพูดให้ง่ายคือใครมีกายและปัญญาแบบมนุษย์มีกำลังปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธองค์แสดงไว้และยังคงบันทึกสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ยังช้าเจ็ดปีอย่างพอดีเจ็ดเดือนและอย่างเร็วเจ็ดวันเป็นต้องรู้จักภาวะหลุดพ้นแห่งใจชนิดไม่กลับกาเริบเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง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 เย็นวันหนึ่งฉันประนมมืออธิษฐานดังดังต่อหน้าพระปฏิมาทองอารามว่าหากชาตินี้พลาดมรรคผลไปเพราะเป็นหนึ่งในผู้มีปัญญาสามไม่มีสิทธิ์บรรลุ ธ, ธรรมดังคำปรมามมทของชาวพุทธบางส่วนก็ขอให้ชาติหน้ามีนิสัยเอาจริงปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ให้สมฆ่าอัตภาพมนุษย์ไปจนชั่วชีวิตทุกครั้งเหมือนเช่นที่ตั้งใจจะทาในชาตินี้ด้วยเถิด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 แทนที่โอกาสมาถึงแล้วจะฉวยไว้ดังปรากฏให้เห็นตัวอย่างผู้ทาบุญกับพระพุทธเจ้าและเหล่าอารหันต์แล้วหวังผลเป็นสวรรค์นิพพานหลังจากตายไปแล้วมากมายก่ายกอง